ชีวิตก็คือชีวิตธรรมะก็คือธรรมะชีวิตเป็นเรื่องของตัวเราธรรมะเป็นเรื่องของพระของวัดอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบ่งแยกอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาติความหมายของธรรมะเนี่ยก็หมายถึงธรรมชาติตัวเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งรอบตัวเราก็เป็นธรรมชาติรูปธรรมก็เป็นธรรมชาติตามาทําก็เป็นธรรมชาติ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 เวลานอนเราก็ต้องนอนต้องมีการพักผ่อนให้ร่างกายเนี่ยพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนตามเวลาพอสมควรเก็บเวลาเนี่ยเอเป็นการปฏิบัติธรรมกับร่างกายอย่างถูกต้องเวลาเจ็บไข้เด้ป่วยก็มีการแก้ไขยเยียวยารักษาร่างกายให้ร่างกายนี้เป็นปกติการพักผ่อนออกกําลังกายการขับถ่ายนะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ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 ต้องรักษาไว้ให้เป็นปกติปกติของจิตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเฉยๆเป็นปกติอยู่เขาไม่วุ่นวายเขาจึงยัมีความสุขสงบเย็นแต่ถ้าเขามีกิเลสมาครอบงําอาจจะผ่านเข้ามาทางตาทางหูและมุ่งเข้าสู่ใจมันจะครอบนาจิตใจให้เราร้อนเศร้าหมองกิเลสความโลภความโกรธความหลง ควาพอใจไม่พอใจก็ครอบงำจิตใจใจก็เลยเป็นทุกข์เพราะไม่ปกติแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ฝ่ายทําให้เราเป็นทุกข์ฝ่ายอากุศลที่เป็นฝ่ายบาปอันนี้คือธรรมะแต่ธรรมะที่เราควรจะละลดละเละิกเพราะฝ่ายบาฝ่ายอากุศลเนี่ยเราทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วก็นําพาจิตใจให้เป็นทุกข์เป็นเหตุ ข, ของความทุกข์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 ก็ต้องช้าหน่อยอยากหน่ยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมีขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะหมดไปได้เป็นพนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องมีความอดทนมีความขยันเพืรร่อขูดกลาเอากเกล็ดออกจากจิตใจของเราซึ่งจิตใจเขาเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราควรจะมาแก้ไข อ, อุปนิสัยของเราการแก้ไข อ, อุปนิสัยของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการเจริญสตินี่แ